นะเป็นเป็นความเกิดขึ้นที่เราว่ามีโทษไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยนะทำปัญญาให้ทุรพลเป็นไปเพื่อความคับแค้นแล้วท่านบอกว่าอากุศลวิตตกเหล่านี้นำมาซึ่งความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะทำจิตใจให้คับแคบนะทำจิตใจให้เศร้าหมองแล้วก็ทําลายปัญญาปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นปัญญาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสภาพหมดสภาพ เพราะอากุศ ล, ลวิตกทั้งหลายครอบงํากลุ่มรุมอยู่ในใจเนี่ยนะนั้นก็ถ้าพิสูจน์ที่ปล่อยให้อกุศลวิตตกอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอกุศลวิตกเป็นศีลไหมไม่เป็นเป็นสัมมาทิฏฐิไหมไม่เป็นทําลายสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะคนที่มากด้วยอกุศลวิตตกเชื่อเถอะวาจาที่เปล่งออกมาเป็นวจีทุจริตหมดเลยอันนะโดยมากเนี่ยนะก็เป็นวจีทุจริตถามว่าคําพูดมีอะไรเป็นเหตุใกล้อ น, นะั มีมีวิตกมีตกวิจารเนี่ยเป็นเหตุแห่งคําพูดคนคิดอะไรมากพูดอันนั้นแหละมากเนี่ยนะฉันธ์ก็คําพูดมันประกาศถึงว่าใจของเขาหลังไหลเที่ยวไปในเรื่องอะไรหรือเบื้องลึกๆในใจของเขาคืออะไรก็ดูจากคําที่พูดเนี่ยนะแต่ว่าพูดที่ไหนเมื่ อ, อไหร่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแหละคือบางทีรสนิยมของเราเนี่ยสังเกตดูคําที่เราพูดออกไปนั่นแหละคือทาาแท้ของเราเนี่ยยิ่งพูดตอนเผลอด้วยนั่นแหละใช่เลยเนี่ยนะว่าเบื้องลึกๆบางอย่างของเรานั้นคืออะไรเนี่ยนะ ก, ก็ประกาศ่าควรแก้ไขหรือว่าควรส่งเสริมก็ดูเอาเนี่นะถ้าควรแก้ไขก็แปลว่าควรละเสียถ้าควรเสริมต่อควรควรต่อเติมก็แสดงว่าควรเจริญเนี่ยนะควรทำให้มากต่อไปข้อที่สี่เนี่ยนะเป็นผู้ไม่ปิดแผลก็เรียกว่านายโคบานผู้โง่เขลาไม่ปิดแผลกับพระพิสุผู้ไม่ปิดแผลเหมือนกัน นายมาดูว่านายโคบานที่ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรในหน้าหกสิบนับขึ้นบรรทัดที่สี่เนี่ยนะบอกว่าบทว่าว่านังปฏิจฉาเดตาโูติความว่าแผลที่เกิดขึ้นแล้วแกโคเพราะอะไรเพราะไปเหยียบตอมั่งคิดกันเองบ้างก็สมควรจะเอาผ้าเป็นต้นเนี่ยนะเอาปอเอาป่านเป็นต้นมาปิดไว้นายโคบานโง่ไม่ยอมปิดแผลให้โคเลยเพราะฉะนั้นน้องน้องทั้งหลายก็เยิ้มเนี่ยนะมันก็เน่า น้องก็เยิ้มเนี่ยนะที่โคที่มันเสียดสีกันเข้าแล้วก็แผลก็เกิดขึ้นที่โคพลพอแผลเกิดขึ้นมากๆไอน้นอนมันก็ชอนชัยก็มาสมัยเด็กๆเนี่ยน ะ, ะงานภารกิจอันหนึ่งนะก็ะตื่นเช้ามาเลยก็คือเอาควายออกจากอคอกนนันี่คือช่วงที่ทรมานที่สุดเนี่ยไม่ใช่เพราะเอาควายออกจากอคอกแต่ตอนที่ตอนที่ควายเนี่ยมันขิดกันนะนะพอควายมันขิดกันมันก็ขิดกันแถวก้นเลย ก็ขิดพอมันขิดปั๊บมันก็เป็นแผลมันก็ไม่ได้สนใจนอนมันก็เยิ้มอันนั้นไข่แมลงวันมันก็ไข่สายเสร็จแล้วมันก็เจาะเนี่ยนะมันเจาะเวลาเราเดินตามเนี่ยโอ๊ยเลี่นเหม็นบะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วพอเดินไปมันก็นอนมันตกแผลแผลแผลออกมาโอ้ยทรมานหัวใจมากเลยนะเขบอกเอาก็ต้องเอาดีอะไรนะพวกยาดีทีทีเนี่ยพ่นลงไปในแผลนั่นแหละแล้วก็นอนก็ตกมาเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยนะก็ ก็บอกว่าพวกที่ไม่ปิดแผลทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็มาเลี้ยงควายอยู่หลายปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพูดถึงว่าผู้ที่ไม่ปิดแผลก็ฉันนั้นเนี่ยนะถามว่าถ้าปล่อยให้แผลเป็นอย่างนี้มันก็ลามนองทั้งหลายมันก็ติดเชื้อง่ายเนี่ยนะพร้อมที่จะติดเชื้อดีไม่ติดเชื้อวัวบ้าเป็นต้นนั้นกนหะนักไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่านายโคบานผู้ที่ไม่ปิดแผลกับภิกษุที่ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรภิกษุผู้ไม่ปิดแผลนี่ก็คือว่า ภิกษุในศาสนานี้เห็นรูปด้วยตาแล้วก็ปล่อยให้อภิชาและโทมนัสเจริญกล่าวว่าลืมตาเพื่อเจริญโลภะโทสะโมหะคยดว่าเห็นเพื่อทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะพอได้ฟังเสียงก็ฟังเพื่อจะทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและใจรู้กลิ่นทางจมูกก็เพื่อทำบาปด้วยกายวาจาและ ในนะแต่ขั้นต้นมันก็อภิชากระโทตมณัตใช่ั้ยคือทวานตาไหลมาซึ่งอกุศลกรรมบทตอนแรกก็ปล่อยให้อภิชาพยาบาทเกิดขึ้นก่อนหนักหนักเข้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิล่วงมาทางวจีบ้างล่วงมาทางกายบ้างเนี่ยนะทวานหูฟังก็เจริญอภิชากับโทมณัตก็คือเจริญ อภิชาและพยาบาทหูฟังเสียงเพื่อเจริญอภิชาพยาบาทจมูกรู้กลิ่นเพื่อเจริญอภิชาพยาบาทลิ้นรู้รสก็เจริญอภิชาพยาบาทใจนึกคิดก็ทําล่วงอภิชาพยาบาทเมื่ออภิชาพยาบาทมีกําลังเข้าคนที่คิดเป็นบาปมากๆเนี่ยอยากเชื่อยอมรับไหมว่าบาปมันมีผลอ่ะไม่ยอมรับนะว่าบาปมีผลเพราะพอปฏิเสธว่าบาปไม่มีผลเป็นอะไรที่ถีแล้ว เมิดชาทิถีเรียบร้อยเพราะไม่ถือว่าอกุศลมีโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนะไอ้สังเกตบอกทัาตัวเองเป็นอกุศลแล้วบอกไม่เป็นไรนั่นแหละมันเป็นไปตั้งมากแล้วนะเนีไม่เป็นไรเนี่ยนะเขาบอกว่าภาษาที่ที่ฝรั่งเขามาพูดเขาว่าอย่าให้คนไทยพูดคําว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วไม่ดีนะเช่นมาสายก็บอกไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นไปแล้วไม่รู้จะทํำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วคําว่าไม่เป็นไรเนี่ยสรุปว่าเสียหายมาก เสียหายมากกว่าแง่ so? hands, so grammar, goals, life, ด, pair, ดีถ้าถ ah ้าคนไทยพูดเขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนะยิ่งไม่เป็นไรยิ่งพูดบ่อยเท่าไหร่นั่นมันเป็นมากเท่านั้นแหละเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นเพราะคนคนที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยคิดหลายอย่างไปแล้วเนี่ยนะวางแผนรวบรัดเบ็ดเสร็จแล้วว่ามันเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่อยากจะทะเลาะกันทางวาจาว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะแค่นั้นเอง แล้วก็อันนี้ฝรั่งเขาวิจารณ์ออกมาวิจัยออกมาเก็บข้อมูลของคนที่พูดว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะก็แสดงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ลองสังเกตดูเรื่องกรณีที่เราพูดเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนะใจจริงๆแล้วเราคิดมาอย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะเรามีบทสรุปบางอย่างแล้วเราจึงบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเนี่ยนะก็ต้องระวัง พันคนที่คิดว่าอกุศลไม่ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยนะเออากามวิตตกเกิดไม่เป็นไรพยาบาทวิตกเกิดไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียบร้อยแล้วไอ้ไม่เป็นอ่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วอ้าวก็ก็บาปมันมีโทษแล้วเราบอกว่ามันไม่มีโทษอ่ะมันไม่เป็นได้ยังไงมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสิเนี่ยนะถ้าการมวรตตกมันเกิดขึ้นเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวมันไม่เป็นได้ยังไงก็มันมีโทษน่ะก็แปลว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิ นะถ้าเราบอกพยาบาทวิตตกเกิดขึ้นนะเราบอกว่าไม่เป็นไรก็เราเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราพูดชั่วบอกไม่เป็นไรก็แปลว่าเราเป็นมิจฉาทิฐิแล้วเพราะเราปฏิเสธความปฏิเสธผู้จริญและปฏิเสธสุจริญก็เป็นปฏิเสธเหตุเป็นกลุ่มอะฮีตุกะทิฐิเนี่ยนะแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เหตุปฏิเสธว่ากายกรรมไม่ใช่เหตุว่าจีกรรมไม่เป็นเหตุมโนกรรมไม่เป็นเหตุมั น, นความชั่วไม่มีผลเพราะไม่เป็นไรเนี่ยนะ ถ้าทําดีมั่งเอแล้วถ้าบุญไม่มีบาปไม่มีผลแล้วบุญมันจะมีผลหรือเมื่อตัวเองคิดว่าบาปไม่มีผลก็ต่อไปก็เลยเถิดไปว่าบุญก็ไม่มีไม่มีผลถ้ามันโตขึ้นเท่าไหร่มิจฉาทิฏฐิมันก็มีกําลังล่วงมาทางกายล่วงมาทางบาจาและจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ า, ากุศลมันเกิดขึ้นแล้วทำไงทางคําสอนแนะนํารีบดับไฟเหมือนบ่นไม้ศีรษะ ถ้ามันล่วงไปแล้วบอกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วสังวรสำรวมระวังไว้ต่อไปนั่นเป็นความเจริญในศาสนานี้อย่าพูดคาว่าไม่เป็นไรเพราะมันเป็นไปแล้วมันเป็นเหตุไปแล้วเนี่ยนะเมื่อมันเป็นเหตุไปแล้วก็อย่างเดียวเท่านั้นที่ทําได้ตอนนี้คือระวังเนี่ยนะระวังดูแลและป้องกันให้ดีที่สุดนั่นแหละคือวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่คําว่าไม่เป็นไรเพราะไม่เป็นไรบ่อยๆเข้านะ ตอนแรกๆอาจจะไม่มีโทษเท่าไหร่แต่ต่อไปต่อไปเหมือนไฟไหม้เมืองมันไม่จากจุดเล็กๆเนี่ยนะอย่างไฟไหม้บ้านทั้งหลายมันเกิดจากประกายไฟเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละเสร็จแล้วมันก็เผาบ้านเผาเมืองฉันใดอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องระวังทุกๆความคิดเนี่ยนะทุกๆจิตตุบาทภาษาบาลีรีกว่าทุกจิตตุบาทภาษาไทยเรียกว่าทุกเม็ดความคิดเนี่ยนะ ทุกความคิดเป็นเม็ดเมดเนี่ยนะเราก็มาคิดว่าแต่ละเม็ดความคิดเนี่ยมันนํามาซึ่งมเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์เป็นต้นต่อไปอย่างไรมั น, านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเช่นกับแผลมันแผลเมื่อเห็นปั๊บเนี่ยนะเมื่อเห็นเมื่อได้ยินรู้กลิ่นรู้รสอภิชาโทรมรัตมันเกิดขึ้นไหมถ้ามันเกิดขึ้นแปลว่าแผลของเรามีปัญหาแล้วนะมแมลงวันเริ่มมาไขาแล้วนะอกุศลวิตกทั้งหลายก็จะเริ่มชรชยัยกามอภิชาเกิด เรียกว่าพยาบาท อ, อ, อะไรนะอภิชาเกิดบ่อยๆเรียกว่าเป็นกามวิตกธาตพยาบาทเกิดบ่อยอันนั้นเป็นพยาบาทวิตกใครที่มาประทุสร้ายเราก็เป็นคิดเบียดเบียนเขาก็เป็นวิหิงสาวิตกบาปอคุศสลธรรมเหล่านี้ไหลมาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันภิกษุคนโง่นายโคบานผู้โง่เขลาไม่ปิดแผลให้แก่โคกับภิกษุผู้โง่เขลาไม่ปิดแผลทวาวร ต่ไม่ปิดแผลทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจปล่อยให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาเนี่ยนะพวกนี้ก็เรียกว่า น, นะนะถือโดยนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะแล้วก็ล่วงมาทางกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพวกนี้เรียกว่าไม่ปิดแผลอีกข้อหนึ่งก็คือข้อห้ามไม่สมควญเนี่ยนะ นายโคบาลผู้โง่เขลาผู้ไม่สมควรกับภิกษุผู้ไม่แสดงธรรมเนี่ยนะเหมือนกันภิกษุผู้ไม่สมควรเป็นอย่างไรเพราะภิกษุนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารอย่างนี้เรียกว่าไม่สมควรอธิบายว่า น, นะณทูมังกัตตาโหติเนี่ยนะหน้าหกสห้า เิียงไม่สงขัญคือธรรมเทศนาไม่แสดงธรรมไม่ประกาศธรรมเหมือนนายโคบานไม่สงขัญฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ทำธรรมมรรคาไม่ยอมพูดคำสอนเลยก็บอกว่าอะไรนะพูดเพ้อเจ้อเนี่ยพูดอยู่ได้ตั้งนานพอบอกนี่มนฑ์เทพตับเงียบเลยเนี่ยนะอันนี้ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่รู้จักสงขัญเนี่ยนะนะพูดเรื่องอื่นรู้ไปหมดเลยนะก็ว่าคําของคนอื่นเนี่ยพูดตามก็ได้ยาวเป็นกระบุงกระบงพูดได้ตั้งนานที่ตัวเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพูดคําสอนไม่ได้ ถ้าอย่างนี้มันก็หมายความว่าตัวเองไม่รู้จักสมควญแล้วเนี่ยนะเพราะเราไม่ได้เป็นศาสดาของนักการเมืองนะทำไมเราต้องไปพูดตามคำของนักการเมืองอะไรมากมายเนี่ยนะเราไม่ได้เป็นศาสดาของอศาสดาของเราไม่ได้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้แล้วเราทําไมต้องกาหนดจดจําเอาคำของคนเหล่านั้นมาพูดทำไมมากมายมันเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาถ้าจะพูดก็ขอให้พูดตามคาสอนซี่เนี่ยนะันก็พิสูจน์นี่ก็ไม่ยอมทาธรรมกถา ไม่กล่าวสารพันยะไม่กล่าวอุปนิสินกถาไม่รู้จักอนุโมทนาคถาคือสรุปว่าไม่เทศไม่แสดงธรรมเลยมนุษย์ก็ไม่รู้จักคุณนสกคุณธรรมของพิสูจน์นั้นว่าเป็นผหูสูตรหรือว่าไม่เป็นผหูสูตรเขาก็เลยไม่รู้ว่าภิสูจน์นี้มีดียังไงมีโทษยังไงพันธุน์ชาวบ้านเขาเลยไม่สงเคราะห์ด้วยปัจจัยสีตัวเองเนี่ยก็ลําบากเรื่องปัจจัยสีชีวอนก็หายากหนากวก็หนาวเป็นต้นเนี่ยนะ ที่อยู่อาศัยก็ยากอาหารก็ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องป่วยไม่สบายก็ไม่มีใครสนใจก็เลยไม่สามารถจะทำการสาธยายพุทธพจน์บําเพ็ญอจารยวัดอุปชัยวั ด, าวดบาเพ็ญธุดงควัดไม่สามารถจะเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในที่สุดก็เสื่อมจากอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเสื่อมจากกองแห่งศีลสมาธิปัญญาเปรียบเหมือนนายโคบานผู้โง่เขลาไม่สมควน เพราะคำว่าสมควันเนี่ยนะพวกนายโคบานเนี่ยหมายความว่าในฤดูฝนพวกเหลือบพวกยุงเป็นต้นเนี่ยมันจะชุกชุมมากในข้อโคเนี่ยนะเหลือบยุงเนี่ยเขาก็ถ้าเราต้องไปเดินใกล้ๆข้อโคเนี่ยโอโ้โหวันนั้นน่ยยุงมันมันเยอะจริงๆเลยแหละเนี่ยนะมันต้องสมควันเแหละบางทีเขาก็กางม้งให้วัวให้ควายเนี่ยนะมันยุงมันมันเป็นฝูงใหญ่ๆเหมือนกับพึ่งตอมเต็มตัวไปหมด แล้วแล้วไอ้พวกนี้มันไม่มีมือตบใช่ไหมมันก็ได้แต่สันผิวหนังอ่ะพวกวัวควายมันสันหนังผิวหนังตัวเองได้มันก็คันแล้วมันก็คันสะเดอเลยนะบางทีก็ต้องนนนอนปลักนะบางทีพวกสัตว์เหล่านี้ต้องนอนปลักนอนนอนเปลือกตมเนี่ยก็เพราะว่าป้องกันเนี่ยนะพวกแล้วบางทีมันต้องให้ขี้โคลนเนี่ยมาเคลือบตัวมันไว้ไม่งั้นเนี่ยพวกพวกเอ่อพวกแมลงเป็นต้นมันจะกัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ อยู่ในที่ร่มก็ไม่สมควัญให้เมื่อไม่สมควันฟูงโคก็ถูกเหลือบเป็นต้นเบียดเบียนตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ด้นอนเพราะมันคันอ่ะนะก็เหมือนกับคนเป็นโรคผิวหนังทั้งคืนจะไปหลับไปนอนอะไรก็ไม่หลับวันรุ่งขึ้นเวลาไปเที่ยวหากินมันก็ไปหลับตอนกลางวันควรกินหญ้ามันก็ไม่ได้กินกลับไปหลับไอตอนที่ควรหลับไม่ได้หลับเพราะเพราะอะไรพรยุงมันกัดเป็นต้น ในที่สุดก็ไม่เคี้ยวกินยาไม่ดื่มน้ำํำไม่กินยาในที่สุดก็พร้อมลงเมื่อพร้อมลงก็รเรียกว่าไปรีดนมจากโคผอมมันจะเป็นไปได้ออยังไงใช่มันก็อดนมนะก็เรียกว่าเสื่อมจากนมสดถ้าเสื่อมจากนมสดก็แปลว่านมสม้มนมเปรี้ยวนี่หมดแน่เปรียงทั้งหลายก็เสื่อมเนยข้นเนยใสหัวเนยไสก็ไม่ต้องแล้วเนี่ยนะก็ราคากระดูกโคมั้งคะเนี่ยนะไม่ได้อ่อไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วคะเนี่ย ภิกษุที่ไม่แสดงธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันก็จะเดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยสี่เมื่อเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสีก็ช่วยเหลือตัวเองให้เจริญงอกงามในพระศาสนาไม่ได้ น, นะนะมันก็เดี๋ยวตอนบ่ายมาต่ออีกนะในในข้อที่หกไม่รู้จักท่าสำหรับช่วงเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้